คนฟังที่ครบรอะพบ ก, กับพระมารชาคาวโรแห่งวัดนาปะพงลำลูกกาคลองสิบปฏิบัติธรรมไปกับพุทธวจนะที่ท่านได้นำมาฝากพวกเราแล้วก็ฟังพระสูตรเต็มๆกันไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงเวลาที่จะได้พบ ก, กับพระภัยบูร์อาพิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโสน้องหาดอุดรธานีกันอีกแล้วนะคะนมสักการะท่านค่จริญปอนค่ะท่าาจรย์คะคือ ขออนุญาตที่จะทบทวนกับท่านฟังนิดหนึ่งเผื่อว่าบางท่านฟังมาแล้วก็ขอทบทวนต่อเนื่องแต่บางท่านยังไม่ได้ฟังและกําลังจะฟังต่อในวันนี้เรื่องที่ดิฉันจะกรับเรียนถามท่านเป็นเรื่องสืบเนื่องจากเมื่อวานคือถามปัญหาของคนคนหนึ่งซึ่งมีเงินเรือนหลายล้านแต่ว่าเอาเงินจํานวนหนึ่งมาลงทุนแล้วเกิดหายไปสามสิบเปอร์เซ็นตขณะที่ที่เหลืออยู่เนี่ยอ้โหเหลือเป็นทรัพย์มรดกรูหลาทั้งนั้นเลยนะคะแต่ เกิดความทุกข์กังวลว่าเมื่อแก่ตัวไปจะมีเงินพอใช้หรือไม่หาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้แล้วท่านก็ได้ให้คำแนะนำในเบื้องต้นว่าในเรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่นิโสมนสิกาอย่างถูกต้องถูกไหมคะใช่ก็จะทำให้แก้ปัญหาให้กับตัวเองไม่ได้แล้วก็คนที่กำลังจมอยู่กับความทุกข์เนี่ยจะเข้าถึงทำลำบากอย่างนั้นเปล่าคะ ถกต้เขาก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาเขาได้แล้วก็จะยิ่งเครียดหนักมากขึ้นแย่ลงสุขภาพก็แย่ลงไปหลายเรื่องแล้วบ้านี้ค่ะทีนี้ดิฉันเองเนี่ยติดค้างที่จะต้องกราบเรียนถามท่านในรายละเอียดต่อแล้วก็เห็นว่าเรื่องทํานองนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยเพราะว่าดิฉันก็สังเกตจากคนรอบตัวแม้แต่กระทั่งตัวเองเนี่ยก็มีบางครั้งเหมือนกันนะคะที่มีความรู้สึกกังวลกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงว่าจะหาทางออก อย่างไรดีจะสามารถที่จะบอกตัวเองว่าเลิกกังวลสัทีเถอะน้าได้อย่างไรดีค่ะค่ะ ม, มีสองประเด็นอันแรกที่เราได้พูดกันไปเมื่อวานคือเรื่องของออการมีเพื่อนดีถ้าเรามีมิตรดีเนี่ยจะเราจะต้องคอยรักษามิตรของเราผู้ประมาทเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างเขามีความทุกข์มีปัญหาอะไรเขาประมาทละใช่ไหมมีความกุ่นเครื่องในจิตเช่วยเขาในการที่จะออกจาก ประนางเขาการที่สอนที่เราได้พูดกันคือเรื่องโยนิโสมนัสิการค่ะครูชาตบอกว่าไม่เห็นทำอันใดหนึ่งอันใดอันหนึ่งเลยที่จะมีอุปการะมากเหมือนอย่างโยนิโสมนสิการสําหรับผู้ที่ต้องการจะฝึกตนค่ะคือการโยนิโสมนัสิการเนี่ยเราได้ยินกันมาเยอะแล้วแล้วก็อแปลว่าทําในใจโดยแยบคายและไอ้แยบคายแยบคายเนี่ยมันแยบคายยังไงฉันก็ว่าฉันก็คิดแยบคายนะไปลงทุนเนี่ยทําไมมันเสียได้โอ้โหมัน จีด๊ดวางกันเถอะใช่ไหมแยบคายของพระเจ้าอะ่ะมันเป็นอย่างนี้คือต้องแยบคายโดยในยักของอริย ส, สัจสีนะคุณทําอะไรเหตุของปัญหาคืออะไรทางแก้ ป, ปัญหาที่สุดสุดสุดสุ ด, สด แ, ลแล้วเนี่ยเป็นยังไงแล้วทางที่ะจะไปถึงตรงนั้นคืออะไรใคิดโดยในระยในยะของอริยสัจสี่ทำในใจโดยแยบคายอย่างนี้ค่ ะ, ะปัญหาของฉันคืออะไรเงินไม่พอเงินไม่พอก็ต้องดูว่า คุณใช้อะไรบ้างใช่ไ่าแต่คนหนึ่งเขาใช้ยังไงเราใช้ยังไงมันเหตุเหตุมันเป็นเห ต, เเหตุเป็นผลกันอยู่แล้วอ่ะคนที่ไม่สามารถคิดได้เนี่ยเพราะว่าเขามีอารมณ์ไปยึดติดมากทําให้เขามองไม่เห็นในความคิดอย่ยงเป็นเหตุเป็นผลคิดอย่างเป็นระบบอเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเตือนบ้างนะให้มาปฏิบัติสมาธิบ้างเขาเป็นคนมีสีไหมเขามีการให้ทานรักษาสีหรือเปล่าอย่างเงี้ เขาจะสามารถมีปัญญาในการที่จะเห็นตรงนี้ได้อยู่ในส่วนมนุษย์การได้บ้างนะเต๋อค่ะค่ะก็เท่ากับ ว, ว่าอมันจะรับมือทันทีทันควันไม่ได้หรอกถ้าหากว่าไม่ได้มีการฝึกฝนมา ก, ก่อนในความหมายของท่านถูกไหมคะอะการรับมือทันทีทันควันได้ไหมนี่อยู่ที่ว่าอินทรีย์เขาไงเขามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาระดับไหนใช่ค่ะอะถ้าถ้าเขามีสูงเนี่ยเขาก็จะรับได้เลย แต่แเขายังไม่มีตรงนี้เขาต้องไปฝึกฝึกยังไงก็ฝึกด้วยระเบียบการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมมีศีลพวกนี้จะทำให้อินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่าอนอกเหนือจากการที่มีมิตร ด, ดีจะได้ไม่ให้คำปรึกษาผิดๆทุกๆนะค ะ, คะต้องโยนิโสมนสิการเป็นการทำในใจโดยแยบคายซึ่งพระพุทธเจ้าหมายความถึงว่าทาในใจให้เข้าใจว่าทุกของท่านนั้นเป็นอย่างไร เหตุของมันเป็นอย่างไรแล้วก็มองให้เห็นว่ามันน่าจะแก้ได้อย่างไรถูกไหมคะแล้วก็แก้ตามวิธีพุทธเจ้าคือดำเนินการตามมรคทีนี้ท่านกำลังบอกว่าถ้าอินทรบารมีเดิมมามีพอเนี่ยปัญหามามันรับทันแน่ถูกต้องแต่ถ้ามีไม่พอต้องมาฝึกฝนฝึกอย่างไรคะ่าฝึกอย่างไรโอ้มีการฝึกหลายอย่างมากก็ง่ายๆที่สุดให้มีศีล นะถ้าเราจะปิดศีลไม่ถามจิตของเราจะมีกํำลังมากขึ้นออถัดขึ้นมาหน่อยก็ต้องไปฝึกด้วยการที่สํารวมอินทรียนะ์พระพุทธเจ้าก็ให้มีการสํารวมอินทรีย์เห็นอะไรด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็อย่าไหลไปตามอย่าไปพลิดเพลินยินดีกับเขาให้ออสํารวมกายถนลมใจอย่าให้ความอากุศลนเนข้ามาในจิตของเรา<ฆ>เ อ, อ, อีกประการหนึ่งก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะในทุกเรียบทนะจะยืนเดินนั่งนอนก็ได้ นะหรือว่าฝึกแผยเมตตก็ได้นะหรือว่าฝึกเป็นรูปแบบคุณรับประทานอาหารเสร็จแล้วมานั่งคุกขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงมีสติอยู่อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันน ะ, ะฝึกได้หลายแบบเลยทีนี้ถามว่ามันต้องฝึกจิตอ่ะฝึกจิตเนี่ยมันได้ทุกเวลาอยู่แล้วเรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยมีสติอยู่ในลมหายใจนั่นแนหะฝึกจิตแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขามีสติอยู่ได้เขาฟังทำอยู่เรื่อยๆนะอันนี้ นั่งรถไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเอาแทนที่เราจะเปิดเพลงฟังเราก็เปิดธรรมะฟังอย่างเงี้ยก็จะเป็นประโยชน์มากมากเลยล่ะนะคะค่ะก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่กำลังมีความทุกข์บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะท่านเป็นผุณพูดมันตรงกับเรื่องเราหรือเปล่าเนี่ยเรากาลังกังวลว่าจะมีไม่พอ ก, กินท่านบอกให้เรามาฝึกสมาธิให้มีศีลใช่ไหมครับบางคนก็เลยงงงงแต่ที่จริงแล้วเนี่ย การมีศีลกับการมีสมาธิถ้าผลของเขาโดยพูดโดยหลักการนะคะท่าน mm hmm. ไม่ต้องลงไปในแต่ละปัญหาคืออย่างไรคะออถ้ามีศีลเนี่ยผลคืออะไรผลคือเราจะสบายใจค่ะนะพอเราเราจะไม่ทุกพระพุเจ้าใช้คำว่าไม่ร้อนใจคนที่ไม่ร้อนใจเนี่ยจะมีความอิ่มเอิบใจมีปีติมีสุขได้ถามว่าเอาแค่นี้ก็พอเนี่ยเอาแค่นี้พอนะเราไม่ต้องไปพูดถึงอะไรไกล คุณมีศีลคุณไม่ร้อนใจมีความอิ่มเอิบใจสบายใจเป็นสุขอยู่ได้คุณจะไม่กังวลเลยว่าเออฉันจะมีเงินพอใช้ตอนแก่ไหมก็มันยังมีใช้อยู่อะมันจะมีความสบายใจอยู่ในใจในะอย่างคนที่เป็นข้าราชการเป็นต้นนะมีกําหนดว่าจะเออร์ลี่ลีทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังมีเงินพอที่เราจะกินอยู่ไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาถึงแม้จะไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากเขาก็ยังมีความสบายใจอยู่เป็นอย่างไงก็ได้ แล้วก็นอกจากนี้ยังมีเหนือกว่านั้นอีกนะพอมีความสบายใจอิ่มเอิบใจมีปิติสุขตรงนี้จะทําให้เกิดจิตเนี่ยจะเป็นสมาธิโอ้โหสมาธินี่ยิ่งมีอา น, นิสงส์มากกว่าความสบายใจธรรมดาอีกนะพอมีสมาธิแล้วเนี่ยก็จะสามารถเห็นได้ตามที่เป็นจริงเห็นได้ตามที่เป็นจริงแล้วเนี่ยก็จะสามารถปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เนี่ยโอ้โหทําให้เป็น อ่ะระยะบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งได้เลยมันอั น, นินนี้ส์มากขนาดนี้นะคะนี่เป็นอั น, นิี่ส่งของศีลอั น, นิสงส์ของการสำรวมอินทรีย์แล้วท่านสำรวมอินทรีย์ก็จะสามารถเป็นผู้ที่ปิดกัน้นความไม่ดีที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็จะเป็นผู้ที่สามารถทําให้เข้าสู่สมาธิได้ง่ายอั น, นิี้ส่งของการสำรวมอินทรีย์นะค่ะเราก็จะเป็นผู้ที่ชื่อว่าอ ตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทน ะ, ะพอเราสมำรวจบินทรีย์แล้วจิตของเราจะไม่เกลือกกล้วนพอจิตไม่เกลือกกล้วเนี่ยก็จะไม่เพลินไม่ไหลาตามไปไม่ไหลาตามไปจิตก็เป็นสมาธิทําทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นได้เขาจะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของเขาได้เพราะว่าจิตของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสดใสผุดผ่องนะคนที่มีจิตเป็นสมาธิเนี่ยสามารถแก้ปัญหาที่ตัวเองเผชิญอยู่ได้จิตสามารถ ขออภัยค่ะจิตอะไรนะคะอะไรผุดพองของท่านนะค ะ, ะที่มีสมาธิผุดพองผุดพอ ง, องใชะะ่จะเรียกว่าเป็นจิตประพัฒสอนใ ไ, ไหมค ะ, ะเป็นจิตที่ประพัฒสอนตั้งมั่นไม่รุนเรนน ะ, ะเป็นพระพุทธเจ้าใช้คานี้บอกว่าเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่การงานนะเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตที่ประพัฒสอนค่ะ คาว่าประพัฒสอนคือผู้ทรงตัดไปด้วยใช่ใชค่คือคุณโยมติ๋วเนี่ยบอว่าคนที่นั่งสมาธิจิตเป็นสมาธินิ่งอยู่ไม่คิดอะไรเลยเนี่ยนะจิตตรงนั้นเนี่ยไม่มีกิเลสนะค่ะอะไม่มีกิเลสพระเจ้าพูดไว้ชัดเจนเป็นจิตไม่มีกิเลสเป็นจิตที่อ่อนโยนเป็นจิตประพัสสอนแล้วนะตรงนั้นแหละแต่ว่าถ้าเรายังไม่เ อ, อ, อาอวิชาออกไปได้เนี่ยเราออกจากสมาธินั้นเมื่อไหร่เนี่ยกิเลสมันอัดเราทันทแีแต่ว่าในกิเลสตรงในตรงนั้นถึงแม้จะไม่มีกิเลสก็ตามแต่ก็ยังมีตัณหาอยู่ ตัณหามันมีอยู่ตลอดใช่ไหมเพราะฉนั้นพระเจ้าจึงพูดถึงว่าอตัณหาแล้วก็อวิชามาคู่กันเสหมดเพราะฉะนั้นจิตตรงนั้นเป็นจิตประภัสอนแล้วแต่ว่ามันดันกับมาเป็นจิตที่เศร้าหมองได้อีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาวิชาคุณยังไม่ได้ออกเลยเขาต้องฝึกมากๆจนกว่าจะสามารถนําอวิชาออกได้อย่างนั้นหรืองไงคะใช่ใก็จะเป็นจิตที่ไม่กลับกําเริบอีกอ๋อค่ะนะคะอัน เพราะฉะนั้ น, น, นพวกอณิสง์อะไรต่างๆตรงนี้มันจะสอดคล้องกันหมดอุญมิ่ติว๋วไม่ว่าจะการที่คุ ณ, คณเป็นคนมีสติแต่ถ้าสมรุมอินทรีย์เราก็จะมีสติมีสติในทุกเ ย, ยริบทเราก็มีสติได้ใช่ไหมคนมีสติก็ชื่อว่าทําความเพียรไม่ว่าคุณจะเพียรด้วยการนั่งการเดินการขับรถและสังเกตลกหมหายใจอะไรต่างๆพวกนี้ก็เรียกว่าทําความเพียรหมดเพราะฉนั้นธรรมะของพุทธิช่างเนี่ยจับมาตรงไหนมันก็เป็นธรรมะหมด คุณยมติวลองคิดดูคนที่เขารู้ธรรมะแล้วเนี่ยนะหรือว่าฝึกฝนมาพอแล้วเนี่ยเห็นอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมะหมดอ่ะค่ ะ, ะเห็นเหตุการณ์ดูข่าวบ้านเมืองโออันนี้ก็ธรรมะอันนี้ก็ธรรมะอันนี้ควรละอันนี้ไม่ควรทำอันนี้ควรส่งเสริมมันเป็นธรรมะหมดแต่คนที่ไม่รู้ธรรมะต่อให้อ่านหนังสือธรรมะยังไงนะมันก็คนครอกๆไปนอนเสียมันก็เป็นอย่างเนี้ย เพรา ะ, ะฉะนั้นเนี่ยเรามาจัดรายการนี้เพื่อที่จะให้ธรรมะอันเป็นเครื่องทุนกระแสให้ชาวบ้านทุกคนที่ฟังรายการอยู่ได้ทราบว่าโอ้โหของลึกซึ้งกว่านี้มันยังมีอยู่ไอ้เงนินเรามาสนใจดีกว่าเรามาปฏิบัติดีกว่าอย่างนี้นะใครที่ยังมีความทุกข์อยู่ควรฟังค่ะท่านสันค่ะคือท่านอาจจ ะ, ะพูดเกาะอยู่กับคําสอนของพระพุทธองค์เพราะว่าหลักการของท่านและจริงๆเป็นหลักการหลักของรายการกระเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะ เอาคําของพระมุทเจ้าที่ตรัสไว้ที่ศักดิ์สิทธิ์มากแก้ไขไม่ได้นะคะเพราะว่าท่านได้ตรัสรู้ในสิ่งเป็นความจริงแล้วเอามาตอบแต่ว่าในส่วนของนี้จะได้ขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างคนที่มีความทุกข์ทานองนี้แล้ว ด, ดิฉันไปมีประสบการณ์รู้จักกับเขาแล้วเขาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ได้ได้ก็คือเหมือนกับดิฉันก็พยายามที่จะพูดกับน้องที่เป็นเจ้าของปัญหาเนี่ยผมว่านี่มีตัวอย่างเลยนะได้เคยเห็นนะเป็นนักธุรกิจใหญ่เนะี่ยเป็นนุ่มโซนแบบน้องนี่เลยเขาก็พูดว่า วันก่อนที่จะเข้าวัดเนี่ยไม่ได้เข้าไปเพราะความทุกข์เนื่องจากว่าค้าขายไม่ดีนะแต่มีความทุกข์เพราะค้าขายดีมากผลิตไม่ทัน oh. บอกว่าหน้าดำาค้ื่เครียดไปหมดตีโจทย์ไม่แตกคิดไม่ออกว่าจะรับผิดชอบในออเดอร์ที่มีมาเนี้ยได้อย่างไร hmm. แล้วก็เลยไปไหนไม่ถูกเข้าวัดพอเข้าวัดเนี่ยก็ได้รับคำสอนด้วยผูท้ทวจนะในลักษณะที่ท่านอาจารย์กลังสอนอยู่นั่นะคะ hmm. เขาบอกว่าเขาก็หลับตาอยู่กับลมหายใจตอนแรกไม่เคยเชื่อทำแรกๆกระทุลักทุเลมากก็พยายามทำต่อไปต่อไปจนกระทั่งสามารถที่จะมีสมาธิหลังจากที่ทำสมาธิได้ก็กลับไปประกอบอาชีพเหมือนเดิมแล้วก็ยังใช้ความรู้ที่ได้รับเนี่ยฝึกปฏิบัติตนอยู่เป็นประจำผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่า ความเครียดดังก่อนไม่มีแก้ปัญหาในการประกอบธุรกิจเดิมๆได้แล้วสามารถจะพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้ากว่าเดิมได้อย่างไม่น่าเชื่อว่าไม่ได้ส่งคนไปฝึกอบรมพิเศษอะไรแต่ให้ผู้บริหารของตัวเองก่อนเข้าประชุมให้นั่งสมาธิก่อนอแล้วก็ให้คนทำงานของตัวเองเนี่ยก่อนเข้างานมีกำหนดเวลานั่งสมาธิเวลาไม่ต้องมากบกทุกวันนี้ตัวเขาเองก็ได้ธรรมะในการกล่อมกล่าวเวลาจะไปพบปะกับคู่ค้า ก็ S <S จะมีทำในการเจราจากับคู่ค้ารู้จักว่าตรงไหนจะมีเมตตากับเขาจิตใจเราดีขึ้นนะคะก็ทำให้มีเสน่ห์สำหรับในการที่ลูกค้าจะมอบความไว้วางใจ <S <S ให้มากขึ้นสินค้าเข้ามามากขึ้นสามารถที่จะรับมือกับ งานที่มันเข้าแล้วเป็นเงินทั้งนั้นเนี่ยได้มากขึ้นธุรกิจขยายมากขึ้นแก้ปัญหาด้วยธรรมะแท้ๆในลักษณะกังวลในอนาคตข้างหน้าเหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดอาจจะแตกต่างจากเจ้าของคําถามที่ยกมาถามนี้ดิฉันก็จึงอยากจะยกมาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งหลายเนี่ยได้ฟังในตัวอย่างนี้ซึ่งดิฉันสบายใจที่จะเป็นคนที่พูดเองมากกว่าจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับเพราะว่าดิฉันประสบการณ์ มีประสบการณ์โดยตรงกับท่านทั้งหลายเหล่านี้ค่ะใ ช, ใช่อันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าโอคธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันครอบอครอบไปหมดอะ่ะคือมันกว้างขวางไปหมดะ่ะจับตรงไหนมันก็ใช้งานได้แล้วเราเป็นเขาเรียกว่าพุทธบริษัทใช่ไหมเป็นคนที่ เป็นคนที่ศึกษาคําสอนพระพุทธชาติเนี่ยยิ่งควรจะต้องเอาศึกษาเรื่องพุทธวจนะเอามาทำด้วยไม่ใช่รู้เฉยๆจําได้เราก็ต้องรู้ให้มันถึงใจอย่างเงี้ยเอาม า, าทำ ส, <ม>สิ่งที่ท่านพูดว่าเอามาทำเนี่ยแหละค่ะก็ลงไปฝึกปฏิบัติกันฝึกไม่ถูกพรุ่งนี้เปิดรายการมาตั้งแต่ตอนต้นรายการให้ทันพระมาร์คชาคาวโรออืท่าน<ช>จะแนะนําให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะไปพร้อมกันแต่วันนี้ในส่วนของท่านเพียบบูคงต้องลาท่านแล้วนะคะ นำ้ำมาสการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุลโนจากวัดป่าดอนไฮโซน้องหาญอุดรธานีไว้ในโอกาสนี้นะคะนมาส ก, การกับท่านคะนท่านฝังคะในส่วนของเราที่ฉันมีข่าวฝากจากนายแพทย์ธรรมรงรัตแก้วการซึ่งท่านก็ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่เป็นประจําเหมือนกันท่านได้นาเนินงานมูลนิธิอนุรักษ์ราชวังพญาไทยแล้วก็มีกิจกรรมทุกปีต่อเนื่องนะคะก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากคือดนตรีไทยพรนนา ประกอบการบรรยายธรรมซึ่งเป็นเรื่องของพระปริศบทส่วนอลัมค่าที่พระพุทธเจ้าประทานแก่พระสาวกเพื่อคุ้มครองต้านฐานสิ่งไม่ดีงามตลอดจนภยัยพันธุ์ต่างๆไม่ให้แผ่วพานพุทธบริษัทนะคะดนตรีไทยที่ประกอบก็เป็นดนตรีไทยที่เล่นเพลงชั้นสูงเพลงศักดิ์สิทธิ์พวกเพลงหน้าพาดเพลงตระทั้งหลายการแสดงนี้ให้ชมฟรีค่ะแถมยังมีอาหารเจบริการด้วยในระหว่างการแสดง จะแสดงในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้ห้องประชุมชั้น10อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6. รอบพระชนพรรษาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าถนนราชาวิถีส่วนท่านมีจิตศรัทธาที่จะร่วมบริจาค ก, กับทางมูลนิธิซึ่งจะจัดกิจกรรมคือมีกรถินพระราชทานปีนี้ในวันที่ 6. กพฤศิกายน2 5งพัวัดป่าบ้านคาะอุดร น, นะคะจอดเดียว ก, กันกับวัดของท่านเพบูลก็ที่เลขบัญชี ศูนย์9ามแปสองขีดธนาคารพาาไทยสาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าคะ่ะท่านที่ต้องการจะโทรศัพท์ไปสอบถามนะคะก็ได้ที่ 02-354-7732 หเดสสองเป็นคว่าจบไปในส่วนของข่าวฝากจากคุณหมอทำรงรัตแก้วการส่วนรายการของเรา02นย์ 2 6 9 0 0เ6เรามีหนังสือพุททวัจนะที่พระอาจารย์ทศริดโสธิพโลได้เมตตามอบให้พวกเรามาแจกให้กับท่านทั้งหลายแล้วก็ขอซีดีมาได้ด้วยนะคะวันนี้เราก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้พุทธสวัสดีค่ะ